1.2. ธรรมะที่แท้ต้องให้ผลเร็วศาสนาพุทธเมื่อศึกษาและปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ได้ต่อหน้าต่อ ต, อตาจริงๆและเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าให้ผลที่รวดเร็วมากแต่ถ้าทำไปหลายปีก็มีแต่ความทุกข์เกเรตก็ละไม่ได้ไม่ใช่ของจริง